ทิมรถตูเมืองลาวนั่งที่ไหนยกมือซิยีไม่ออกอยู่นี่อยู่ข้างหลังเนยพวกที่เข้าคอร์สอยู่ที่ไหนที่มาเข้าคอร์สมาเข้าคอร์สเคยเรียนแล้วนะ จับหลักแม่นๆแล้วก็ภาวนาให้มากๆจับหลักไม่ได้ภาวนายิ่งภาวนามากยิ่งผิดมากหลักต้องแม่นการปฏิบัติธรรม น, นขั้นแรกจะต้องฝึกจิตให้มีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาตัวนี้เรียกว่าจิตสิกขา น ก, งกเงอะนี่หัวเ้าดังฝูงเม่เลิเลยฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็พร้อมที่จะเดินปัญญานี่งานที่หนึ่งงานที่สองเนี่ยใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วไปเจริญปัญญาก็ต้องเรียนรู้วิธีเจริญปัญญาอันแรกก็ต้องเรียนรู้วิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่น งานของเรามีสองงานพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาสมถะกรรมฐานในวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานจริงก็คือการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาไม่ใช่ทําจิตให้สลบทีเคลิบเคบลิมลืมเนื้อลืมตัว อย่างนั้นเรียกว่าไม่ได้ทำสมำถกรรมฐานด้วยปัญญาอันยิ่งด้ทำด้วยโมหะโมหะกับปัญญาเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันโมหะทำให้มืดให้บอดนะนปัญญาทำให้จิตใจนะสว่างสบายขึ้นมาพระพุทธเจ้าถึงบอกแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเราต้องเรียนรู้วิธีนะวิธีฝึกจิต ให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานขั้นต้นต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลวงพ่อใช้คาว่าต้องทำนะถ้าอยากฝึกให้ดีถ้าอยากแค่สงบเนละยจะไปทำอะไรก็ตามใจเถอะอันนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพวกฤาษีชีพายค้าก็ทำได้ในการจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นมาเดินปัญญาได้เนะี่ยของคนอื่นไม่มี วิธีการนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดเคยพูดโธใช้พุโทโธก็ได้เคยหายใจก็ใช้ลมหายใจก็ไดนะ้เป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ใช่เครื่องจองจํานะเครื่องอยู่กับเครื่องจองจําไม่เหมือนกันบ้านกับเรือนจำนะไม่เหมือนกัน อยู่เรือนจำเนะี่ยออกไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้อยู่บ้านออกเมื่อไหร่ก็ได้เั้นจิตจะมีมีบ้านอยู่มีเครื่องอยู่อย่างเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจนะบางคนก็อยู่กับท้องพองยุบก็แล้วแต่ถนัดทุกอย่างเท่าเทียมกันพออย่างเดียวว่าทํากรรมฐานแล้วก็รู้ทันใจตัวเองให้ได้อย่างดูท้องพองยุบนะแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไป ถ้าดูแต่ท้องผ่องยุบแล้วไม่ได้ดูใจตัวเอ ง, เองก็ไม่เรียกว่าจิตตศิขาไไม่ได้เรียนเรื่องจิตเลยขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะแต่ขยับมือแล้วรู้มือเนี่ยนี่ด้อยเกินไปหลวงพ่อคำเขียนเคยบอกหลวงพ่อเลยว่าสิบสี่จังหวะอะไรนี้มันมาทีหลังไม่สําคัญหรอกจะไปคิดจังหวะใหม่ก็ได้จุดสําคัญคือสติ ตติรู้เท่าทันจิตตนเองอย่างขยับขยับไปจิตนี้วิคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ในมือรู้ทันนะเพราะฉะนั้นจุดสําคัญก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วค่อยรู้ทันจิตตนเองเนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกให้มากๆฝึกทุกวันทุกวันกว่าหลวงพ่อจะจับหลักตัวนี้ได้หลวงพ่อก็ใช้เวลานะหลวงพ่อไปเรียนกับท่านพ่อรี เมื่อปีศูนย์สองสองหสองหลายคนยังไม่เกิดเมื่อปี่วนยสองไปเรียนท่านนนท่านก็สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองมีนับด้วยแล้วก็มาทำทำทำนะทีแรกมันก็มุ่งไปสู่ความสงบใจมันไปเองนะพอใจมันเริ่มสงบการนับก็หายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโท พอสงบมากขึ้นพุทธโธหายไปเหลือแต่การหายใจพอสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงแสงอยู่ตรงนี้สว่างขึ้นมาคราวนี้ไปดูที่แสงนะแล้วก็ใจอยากรู้อยากเห็นอะไรกูแสงมันก็ส่งไปไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรเงี้ยไปอยู่พักหนึ่งสติปัญญากเก่าๆที่เคยฝึกมาเพราะมันสอนตัวเอง ่าไม่มีสาระแก่นสารต่อไปนี้อย่าให้จิตออกไปข้างนอกแต่ตัวช่วยตัวหนึ่งนะที่ทำให้หลวงพ่อไม่อยากส่งเิตออกนอกคือกลัวไปเจอผีเปนคนกลัวผีงั้นได้อานิสงส์จากผีนะได้ภาวนาเข้าร่องเข้ารอยงั้นพอใจสงบมันสว่างขึ้มาแล้วเนี่ย่าใจมันจะเคลื่อนตรงนี้ใช้อะไรเป็นวิหารธรรม ใช้ดวงสว่างดวงกสิณนดวงสว่างเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่พอจิตจะหนีไปจากแสงสว่างหนีไปคิดเรื่องอื่นสติรู้ทันจิตจะไหลเข้าไปในแสงตามแสงไปสติรู้ทันถ้าจิตมันเคยชินที่จะไปกับแสงนะพอมันมีแสงขึ้นมาแล้วจิตมันจะไหลด้วยความเคยชินหลวงพ่อใช้วิธี กระตุ้นตัวเองกระตุ้นสติตัวเองหายใจให้แรงขึ้นให้มันกลับมามีลมหายใจนะไม่เอาแสงเอาลมจิตก็ไม่ตามแสงออกไปข้างนอกนะนสังเกตที่จิตตนเองนะมีลมหายใจก็ใช้ลมหายใจเป็นมิหารธรรมจิตไหลไปที่ลมรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันพอลมหายใจระ ง, งับกลายเป็นแสงนะเป็นดวงสว่างดวงนี้ย่อดได้ขยายได้นะ เวลากำหนดให้มันเล็กลงเล็กลงนะแสงมันจะยิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าเท่าปลายเข็มเนี่ยนะอแสงมันเข้มพุ๊ดเลยบอกไม่ถูกเลยนะถ้าถ้าใหญ่ๆก็ไปแสงมันก็ค่อยจางลงดวงพวกนี้เอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้หรอกกลับกลอกแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เอาดวงนี้ละทีแรกไปเล่นที่ดวงนี้นี่จิตออกนอกนะไปดูที่แสงเนี่ยจิตออกนอกนี่พอ ภาวนาพอจิตมันจะไหลไปกับแสงเนะี่ยสติรู้ทันว่าจิตกำลังจะเคลื่อนตามแสงไปแล้วนี่สติรู้ทันจิตนะหายใจให้แรงกลับมาหายใจกระตุ้นความรู้สึกตัวไว้ไม่ให้เคลิบนะ ใ, ใจไม่เคลิบใจก็ตั้งมั่นอย่างเงี้ยในสุดร่างกายเนี่ยสลายไปนะร่างกายมันหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วนะนะไม่มีกายพอถอยออกมาเนี่ย ร่างกายปรากฏขึ้นกายกับจิตนี่เป็นคนละส่วนกันละมันรู้แล้วว่ากายกับจิตเนี่ยไม่ใช่อันเดียว ก, กันนะกายกับจิตแยกจากกันตลอดเลยไม่กลับมารวมกันอีกแล้วจิตเนี่ยเป็นผู้รู้อยู่ร่างกายเป็นของถูกรู้เนตอนเด็กเด็กก็ฝึกได้อย่างนี้ฝึกไปงันพวกเราทำกรรมฐานไม่ต้องมาดูลมดูแสงอะไรอย่างหลวงพ่อหรอกเอาที่เราทำได้ ขยับอย่างลรลวพ่อเถียนก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าผิดนะแต่ถ้าขยับแล้วไปเพ่งมือผิดขยับแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นไม่รู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดอันนั้นผิดมาท่องพุทโธพุทโธจิตไหลไปสงบอยู่กับพุทโธอนนี้ไม่รู้ว่าจิตมาอยู่กับพุทโธผิดพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นไม่รู้ว่าจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่ น, น, น, น, นนะ อ, อันนีนะ้ผิดนะ ดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไม่รู้ว่าจิตไหลไปที่ท้องอันนี้ผิดดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นนะแล้วไม่รู้ทันว่าจิตหนีไปอันนี้ผิดงินถูกหรือผิดอยู่ที่จิตตัวเองนะไม่ใช่อยู่ที่ว่ากรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรกรรมฐานทั้งหลายเสมอกันนะทางใครทางมันอย่างถ้าคนไหนถนัดพุดโทโธก็ชอบบอกว่าพุโทโธดีที่สุด ว่าเคยผ่านมาทางนี้นะคนไหนชอบหายใจก็บอกหายใจดีที่สุดคนไหนชอบพองยุบก็พองยุบดีที่สุดคนไหนชอบเดินจงกรมก็บอกเดินจงกรมดีที่สุดคำว่าดีที่สุดไม่มีนะมีแต่ว่ากรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราเองตรงที่เราสามารถรู้ได้ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับตัวเราเองตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะเคยได้ยินไมคาว่าสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องตน้น รู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสารนะอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์บางเรืนะ่องมีสาระแต่ไม่มีประโยชนนะ์บางเรื่องมีประโยชน์แต่ไม่เหมาะกับเรานะนะอันไหนมีสาระด้วยมีประโยชน์ด้วยสมควรกัเราด้วยไม่หลงไม่ลืมตั้งใจภาวนาไปนะอันนั้นเรียกว่าเรามีสัมพันธญะ ไม่ใช่ว่ากรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรนะเพราะงั้นถ้าบอกว่าหลวงพ่อสอนให้พุโทโธให้หายใจอะไรเนี่ยอันนี้กล่าวตูหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกให้พวกเรารู้หลักแล้วไปเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองเหมือนปูใสชวนนะนะก็ไปเลือกเปลือกให้พอดีกับตัวทํำซาตัวนี้เดี๋ยวไปเลือกเปลือกใหญ่เดินไม่ไหวหรือตัวใหญ่นะอยาก สลิมนะยัดเข้ไปอยู่ในเปลือกแแคบอันนี้จะตายเอานะกรรมฐานก็เหมือนกันนะไปเลือกให้เหมาะกับตัวเองทำกรรมฐานอะไรแล้วพอดีพอดีรู้สึกตัวได้บ่อยนะจิตใจสบายไม่ลำบากมากไม่เครียดถ้าใจเครียดนี่ใช้ไม่ได้หรอกดังนั้นะไปเลือกเอาของตัวเองทางใครทางมันนะไม่มีกรรมฐานอะไรหรอกที่ว่าวิเศษที่สุด อย่างในขั้นวิปนะัสสนาในขั้นสมถะนี่หลวงพ่อใช้อนาปนานสติหลวงพ่อไม่บอกว่าดีที่สุดทุกคนต้องทําตามนี้ไม่ใช่ทุกคนทําได้วิปัสสนาเนี่ยหลวงพ่อดูความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของจิตแล้วก็ดูพฤติกรรมของจิตที่มันทํางานต่างๆนาน า, นาที่ไม่อยู่ในอํานาจ บ, บังคับ เวลาที่พวกเราทํำวิปัสสนาหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนว่าจะต้องดูจิตอย่างเดียวบางคนก็ต้องดูกายนะบางคนก็ดูเวทนาบางคนก็ดูจิตสังขารเห็นกิเลสต่างๆเกิดดับบางคนดูทั้งรูปธรรมนามธรรมดูกุศลอกุศลอย่างอกุศลเนี่ยพวกนิวรณ์เป็นอกุศลมันก็ไม่ใช่ดูแค่ตัวนิวรณ์ดูลึกลงไปอีกช็อตหนึ่งว่าอะไรทําให้นิวรณ์มี อะไรทําให้นิวรณ์ไม่มีหรือดูตัวกุศลหรือตัวโพชง่งอะไรทําให้โพช่งเจริญอะไรทําให้โพช่งเสื่อมเนี่ยในธรรมานุปัสสนาเนี่ยมันจะซับซ้อนหรือเห็นปฏิจจสมบาทอันนี้อยู่ในธรรมานุปัสสนาพวกเราอิ on, นทรีย์อ่อนยังทําตรงนี้ทีเดียวไม่ได้ครับเราทํากรรมฐานที่ไม่ซับซ้อนอย่างร่างกายเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยซับซ้อนไหม รู้สึกได้ไหมร่างกายตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกได้ไหมซับซ้อนไหมนั่งจริงเหรอก็บ่าแล้วนะของให้ง่ายแค่นี้นะหรือทาสมัมปชัญญะบัพพาร่างกายเคลื่อนไหวล้รารู้เนนะร่างกายอยู่ในอิริยาบถ ย, ย่อยอิริยาบถหลักก็คือนั่งอิริยาบถ ย, ย่อยคือนั่งพนมมือนะหรืออิริยาบถ ย, ย่อยนั่งเก่านะนะอย่างนั่งอยู่ มีอิริยาบถหลักนะอิริยาบถใหญ่กับอิริยาบถย่อยแล้วแต่จะดูอย่างขณะ น, นี้อิริยาบถใหญ่นั่งอยู่รู้ไหมยากไหมที่จะรู้ว่านั่งเมื่อกี้พยักหน้านี่คืออิริยาบถย่อยเ น, นี่ยไม่เห็นจะยากอะไรเลยงั้นทำกรรมฐานนะทำที่เราทำได้ยังไม่ต้องไปดูพูดชงพวดชิงหรอกหน้าตาอย่างนี้ไม่มีหรอกพูดชงสติยังไม่ค่อยจะมีเลยจะ ม, มีพูชงได้ไง การฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วเรียนรู้จิตตัวเองไปจิตนี้ไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันนะจิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้ทันนี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราถนัดนะแต่อารมณ์นั้นจะต้องไม่ยั่วกิเลสนะไม่ได้ทําให้กิเลสเพิ่มขึ้นอย่างด่าคนอื่นหรือตีหัวหมาเจอหมาไล่ตีมันนี่จเจริญสติ นะเจอหมาแล้วไล่ตีนี่ใช้ไม่ได้ทำแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดกิเลสที่เกิดแล้วก็แรงขึ้นไปทำแล้วกุศลที่เคยมีก็หายหมดเลยกุศลใหม่ๆก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนเราก็ทำกรรมฐานที่ไม่ทำให้กิเลสเฟื่องฟูไม่ทำให้กุศลเสื่อมถอยนะไปเลือกสอาสำหรับตัวเองไปเปิดปูเสยชวนนะที่เลือกเปลือกให้พอดีกับตัวนะไปดูเอาเอง ใช้สติปัญญาสังเกตเอาเราอยู่กับอะไรแล้วดีก็เอาอันนั้นแหล ะ, ะอยู่กับอะไรแล้วจิตใจตั้งมั่นอยู่กันแ้วกับตัวมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจสามารถรู้ทันเอาอันนั้นแหล ะ, ะไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนหรอกแต่ถ้าถามหลวงพ่อว่าสมถกรรมฐานเนี่ยอะไรดีที่สุดหลวงพ่อว่าอนาปนสติทาไมดีที่สุดพระพุทธเจ้ายัางใช้อันนี้เลย แล้วเวลาเราภาวนาธรรมานาปันสติจนเราเข้าใจแตกฉานนะเราจะรู้ว่ามันเหมือนแม่บทแม่บทของกรรมฐานอื่นนะอย่างเราทำกระสินเนี่ยตอนก่อนที่จิตจะรวมลงไปเนี่ยนะมันจะวกมาที่ลมนิดหนึ่งมันจะผ่านลมนิดหนึ่งจะทำกรรมฐานอะไรก็ตามอนะตอนที่จิตจะเข้าสมาธิมันจะผ่านลมอยู่นิดหนึ่งนะอย่างเราแผ่เมตตาแผ่แผ่แ่แ่ไปเรื่อยนะ มันจะย้อนมาที่ลมนิดนึงแล้วก็สว่างปุ๊บออกไปนะฉั้นตัวอนาปนาสตินะมันเหมือนแม่บทนะและอนาปนาสติเนี่ยนะใช้ทำสมถะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้ใช้ทำกายานุปัสสนาก็ได้ใช้ทำเวทนานุปัสสนาก็ได้ใช้ทำจิตตานุปัสสนาก็ได้ใช้ทำธรรมานุปัสสนาก็ไดนะ้ใช้ทำกระสินก็ได้ใช้ทำ stone, ไอพิญยาก็ได้ เันมันกว้างกวางมากนะตัวอนาปนาสติบางตำรานะพวกอาจารย์ในพิธามบางท่านนะท่านจะสอนนีบอกว่าอานาปนาสติเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษคือเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราเรียนได้จะได้เซี่ยวนึงส่วนนึงจะได้ไม่หมดแล้วนะอย่างหลวงพ่อพุทธทาสสอนอน า, นาปนาสติสิบหกขั้นใครเคยอ่านของท่านบ้าง ถามจริงๆมีใครทําได้สิบหกขั้นไม่มีไม่เคยเห็นเลยสี่ขั้นยังไม่ค่อยจะได้เลยเคยทำานาปนาสติจนเลิกหายใจไหมขั้นที่สี่ลงหายใจระงับถามนะว่ายังหายใจอยู่มันมันหายใจแต่มัหายใจละเอียดมากนะไม่ใช่ไม่หายใจหายใจอย่างละเอียดเลยจิตจะเข้าไปตรงนี้ได้มันหมายถึงผ่านานาปนาปนสติต้นๆมาแล้วนะแล้วมันเหมือนมันชดัด มันชาร์จลมเอาไว้เต็มข้างในเนะมีลมเต็มเปี่ยมอยู่มันหยุดหายใจได้ชั่วคราวนะไปหยุดสามวันสามคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะอยเว้นเข้านิโรธสมบัตินะอย่ันเดียวเท่านั้นนะอันอื่นไม่มีถูกไม่ต้องเรียนนะยุงนี้ก็ไม่เห็นใครเข้ามาละงั้นเราเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองนะ ถนัดพุทโธใช้พุทโธพุทโธแล้วจิตไปนิ่งเผลออยู่กับพุทโธรู้ทันจิตพุทโธพุทโธไปจิตหนี้ไปคิดรู้ทันว่าจิตหนี้ไปคิดดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องดูท้องพองยุบจิตหนี้ไปคิดรู้ว่าจิตหนี้ไปคิดขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจิตไหลไปอยู่ในมือรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่มือ จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิ ด, ดเห็นเห็นไหมมีสองอันที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเป็นกรนะุบปิ้งนะจริงลีลาของการไหลเนี่ยเยอะแยะมากเลยแต่มันสองกลุ่มใหญ่ๆอันหนึ่งไหลไปจมแช่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานอันนี้คือการเพ่งอีกงันหนึ่งไหลไปอยู่ในโลกของความคิดอันนี้คือกานเผลอนะฉะนั้นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยไม่เผลอไม่เพ่งนะรู้ทันจิตตนเองอยู่ ทุกวันต้องทําให้ชำ น, นี้ชํนนานาญจิตเคลื่อนไปอยู่กับกรรมฐานรู้จิตเคลื่อนไปอยู่ในความคิดรู้นะทุกวันต้องฝึกต้องซ้อมไม่ฝึกไม่ซ้อมนะออกมาอยู่กับชีวิตจริงเจมาบอกว่าจเจริญสติในชีวิตประจำวันทำไม่ได้จริงเวลาเราฝึกกรรมฐานใช่ไหมจิตเคลื่อนอยู่สองอันเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐาน อารมณ์กรรมฐานส่วนใหญ่อนะน่าจะเป็นกายเช่นรู้ท้องพองยุบ ร, รู้มือรู้เท้านะรู้ลมหายใจอะไรเนะี่ยจิตเคลื่อนไปหาอารมณ์กรรมฐานรู้ทันนะจิตเคลื่อนไปในความคิดรู้ทันตรงที่เคลื่อนไปในความคิดจะฟุง้งซ่านตรงที่เคลื่อนก็ไปนิ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานมันจะสงบนะี่สงบแนละ้วก็จมอยู่ในอารมณนะ์นั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิ ไม่ประกอบด้วยสติถ้ารู้ทันว่าจิตนิ่งอยู่กับลมจิตจิดีดตัวขึ้นมาเองนะเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหรืออย่างเนี้ยเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูรู้สึกไหมร่างกายนั่งใครคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ข้างในไม่ต้องหาคนนั้นนะแต่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ว่าร่างกายนั่ง ย, ยกมือร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ ไม่ต้องหาว่าใจอยู่ที่ไหนนะแค่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งอยู่ในนี้เป็นคนรู้ว่าตัวนี้เคลื่อนไหวรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งรู้อยู่ข้างในนี้คอยรู้เรื่องโน้นรู้เรื่องนี้นตัวนั้นแหะคือตัวรู้อะไรคือตัวรู้จิตนั่นแหละคือตัวรู้เพราะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อะไรที่ถูกรู้มีศั์เฉพาะเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์รักอารมณ์โกร น, นะอารมณ์ ในนิยามของการปฏิบัติเนี่ยคือสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะส่วนจิตนะคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างนั่งอยู่ขณะ น, นี้มีตัวหนึ่งรู้ตัวร่วมอยู่ข้างในเนี่ยแต่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะไม่ต้องหาถ้าหายังไงก็ไม่เจอหลวงปูดูลบอกใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจออันนี้คือหลักที่เราจะต้องฝึกนะให้ชำ น, นิชำ น, นาญ แล้วต่อไปเรามาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยจิตเราวิ่งไปที่ตาเรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปทางตาจิตเคลื่อนไปทางหูจิตเคลื่อนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตเคลื่อนไปทางใจส่วนใหญ่ไปคิดเราจะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะการเคลื่อนหรือความฟุ้งซ่านของจิตจะดับจิตจะเด่นดวงตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้นั่นส่งสมาธิขึ้นมาลนะแล้วปรเดี๋ยวหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้เขาดับ ก็จะเคลื่อนออกไปอีกไปเคลื่อนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วมีสติรู้ทันอีกจิตที่เคลื่อนก็ดับจะเกิดจิตที่รู้ขึ้นแทนเราะนั้นจิตที่รู้กับจิตที่เคลื่อนไปจิตที่หลงไปนะจะเกิดดับสลับกันไปนะสุดท้ายเราจะเห็นนะจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยปัญญามันเกิดตรงนี้เนะฉั้นฝึกเข้าไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเห็นว่าจิตไม่ใช่เราหรอก ถ้าจิตไม่ใช่เราขันห้าซึ่งเป็นผลผลิตของจิตก็จะไม่ใช่เราโลกทั้งโลกที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ด้วยจิตเนี่ยมันก็จะไม่เป็นของเราด้วยนะจะไม่มีของเราอีกต่อไปไม่มีตัวเราอันนี้ฝึกไปเรื่อยๆก็จะเห็นนละร่างกายเนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วแล้วไม่เป็นตัวอะไรร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนี่เป็นปัญญาระดับกลางนะ แล้วภาวนาขั้นสุดท้ายมันจะเห็นว่าตัวจิตเองนะตัวผู้รู้เองนั่นแหละก็เป็นตัวทุกขนะ์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษสุดท้ายก็ปล่อยวางตัวจิตผู้รู้ได้นะฉะนั้นท้าปล่อยวาง จ, จิตผู้รู้ก็คือปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดละปล่อยวางขันห้าได้หมดละปล่อยจิตดวงเดียวนะปล่อยวางจิตดวงเดียวด้วยปัญญาอันยิ่งต้องย้ําตรงนี้บางคนมันแกล้งปล่อยด้วยโมหะมีไม่ใช่ไม่มีนะ เราต้องเจริญปัญญาซ้ําๆนะเห็นจิตมันทํางานไปจิตหลงไปก็รู้พอรู้แล้วก็เกิดจิตรู้จิตรู้เกิดขึ้นเราไม่รักษาอยู่ชั่วคราวจิตรู้ก็ดับกลายเป็นจิตคิดอีกจิตคิดก็คือจิตหลงหรือหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดรู้ทันอีกจิตหลงเกิดขึ้นแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตหลงเกิดนะจิตหลงจะดับจะเกิดจิตรู้ถ้าไม่รู้ว่าจิตหลงเกิดแล้วจิตหลงจะต้องดับ จิตหลงเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะนะชนิดอุทัดจระฟุงซ่านทันทีที่สติรู้ทันกิเลสเนี่ยกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎเลยนะคล้ายๆเป็นกฎทฤษฎีเลขาคณิตอะไรเนี้ยอันนี้ก็เป็นกฎข้อหนึ่งในการปฏิบัติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลส เมื่อไรมีกิเลสนั่นนั้นไม่มีสติเพราะนั้นจิตหลงไปคิดตรงนี้เป็นจิตที่มีโมหะมีอุทัศจะสติเกิดะระลึกได้ว่าเฮ้ยหลงไปคิดแล้วเนี่ยจิตหลงจะดับจิตรู้จะเกิดเพนะฉะั้นจิตรู้เนี่ยเราสร้างขึ้นมาโดยตรงไม่ได้นะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเองเมื่อจิตหลงมันดับจิตรู้มันก็เกิดขึ้นเองนะีน่ะฝึกอย่างนี้ไปสุดท้ายปัญญาก็เกิดนะ งั้นกรรมฐานที่หลวงพ่อแนะนํานะเรียกว่าที่หลวงพ่อแนะนํามากกว่าก็คือทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันฝึก อ, อย่างนี้เราจะได้สมาธิพอมีสมาธิแล้วถ้ปล่อยให้จิตมันทํางานนะจิตหลงไปแล้วก็รู้พอรู้ปุ๊บจิตหลงก็ดับจิตรู้ก็เกิดแล้วเราก็ไม่ควบคุมรักษาเพ่งอยู่ที่จิตรู้นะอนนั้นเป็นการเพ่งอีกละ เราไม่เพง่งไม่จองใช้จิตธรรมดาเนี่ยจิตรู้อยู่ชั่วคราวก็หลงใหมนะ่แค่เป็นจิตคิดเป็นจิตดูเป็นจิตฟังอะไรขึ้นมาใหม่สุดท้ายปัญญามจะเกิดน้ำจะรู้ว่าจิตทุกชนิดไม่ว่าดีหรือชั่วนะเกิดแล้วดับทั้งสิน้นจิตทุกชนิดไม่ว่าดีหรือชั่วห้ามไม่ได้บังคับไม่ไดนะ้ไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเป็นอนัตตาอย่างเราไม่อยากโกรธเนี่ย จิตมันก็โกรธได้นะบางคนนะไม่อยากขี้หึงนะผู้หญิงหลายคนขี้หึงผู้ชายก็ขี้หึงนะไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวหรอกนะตั้งใจจะไม่หึงนะมนโษยอดไม่ได้เห็นใจมันห้ามไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่อาฆาคนะสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยตายห่าเถอนนะอย่างนี้นะ ม, นมันแผลบแทรกออกมาอย่างนี้ก็มีนะ เนี่ยมันห้ามไม่ไดนะ้ตรงนี้คือตัวปัญญามันเห็นว่าจิตนี้เป็นอนัตตาเพราะเราคอยรู้เท่าทันจิตไปนะจะได้ทั้งสมถะได้ทั้งนิปัานานะส่วนจะทำสมถะให้สงบนนก็ไปเลือกอารมณ์อยู่กับอารมณ์อะไรแล้วสบายใจก็อยู่กับอารมณ์นั้นจิตก็สงบง่ายอยู่ตายไปเห็นย า, ยากเลยเล่าให้ฟังแล้วก็ไปทำเอานะใครฟังแล้วไม่เอาไปปฏิบัติขอให้ชุดชุด <c oughs> เราไปกินข้าวนี่หมดนะครับ